สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้บทเรียงจากสุภาษิตอยู่ในบทที่25ครับข้อที่11จนถึงข้อที่14โปรดฟังพานะนจของพระเจ้าถ้อยคำที่พูดถูกกาละเทศะเหมือนผลแอปเปิลทองคำล้อมด้วยเงินคำตักเตือนของคนมีปัญญาแก่หูที่คอยฟังก็เหมือนห่วงทองคำและเครื่องประดับทองบริสุทธิ์ หิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ใช้เขาย่อมทำให้จิตวิญญาณของนายชุ่มชื่นอย่างนั้นคนที่อวดว่าจะให้ของกํานันแต่ไม่ได้ให้ก็เหมือนกับเมฆและลมที่ไม่มีฝนเพี่อนครับในข้อที่11ถึงข้อที่14นี้ได้พูดถึงเรื่องของการสื่อสารการใช้วาจาการพูด3ข้อแรกครับเป็นการพูดที่ ดีครับและข้อที่14ข้อสุดท้ายเป็นคำพูดที่ไม่ดีพี่น้องครับการสื่อสารการใช้คำพูดนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีคุณค่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในข้อ11เนั้นเริ่มต้นด้วยถ้อยคำที่พูดอย่างถูกกาละเทศะภาษาอังกฤษใช้คำว่าถ้อยคำที่พูดอย่างเหมาะเจาะฟิตนะครับหมายความว่าเหมาะสม เหมาะเจาะถูกที่ถูกเวลาก็เหมือนกับผลแอปเปิลทองคำที่ล้อมด้วยเงินคำพูดที่ดีคำพูดที่เหมาะสมคำพูดที่ถูกกาลเทศะนั้นจะมีคุณค่าสูงครับถามว่ามีคุณค่าสูงขนาดไหนมีคุณค่าสูงเหมือนกับแอปเปิลทองคาล้อมด้วยเงินแอปเปิลทองคำนะครับทองกับเงินนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อเราเห็นภาพนะครับแบ็กกราว์ที่เป็นเงิน แล้วก็ภาพโฟกัสที่เป็นทองเราจะเห็นว่านี่แหละครับคือความสวยสดงดงามความมีคุณค่าของรูปภาพนั้นนี่คือสิ่งที่เปรียบเทียบกับถ้อยคำที่พูดถูกกาลเทศะเหมาะเจาะถูกต้องถูกที่ถูกเวลาพี่น้องครับการใช้คำพูดที่ถูกกาลเทศะนั้นจะทำให้คนได้รับความชื่นชมยินดีคนจะได้รับการเล่าหลวมใจ คนจะได้รับการตักเตือนในข้อที่12นั้นพูดถึงเรื่องของคำตักเตือนของคนที่มีปัญญานะครับคำตักเตือนของคนที่มีปัญญานั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคำเตือนสตินะครับดึงกลับมาให้ถูกต้องจารย์ใช้คำพูดที่เตือนสติดึงคนกลับมาให้ถูกต้องนะั้นต้องมีหูที่คอยฟังต้องมีหูที่คอยฟังครับพี่น้อง ถ้าหูที่ไม่คอยฟังหูที่ไม่ตั้งใจฟังหูที่ไม่มีจิตใจในการถ่อมลงที่จะฟังนะครับคำพูดเหล่านั้นก็ไร้ประโยชน์พี่น้องครับคำตักเตือนหรือคำพูดหรือการสื่อสารของคนที่มีปัญญาและมีหูที่คอยฟังของผู้ที่ได้ยินได้ฟังนะครับคำเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตมีคุณค่าเหมือนกับห่วงทองคาและเครื่องประดับทองที่บริสุทิ์ คำพูดที่เหมาะสมจะดึงดูดใจมีคุณค่ามีราคาพี่น้องครับถ้อยคำที่ไม่จริงใจก็ไม่ดึงดูดแม้ว่าอาจจะเป็นถ้อยคำที่ยกยอปอปั้นแต่ในที่สุดนั้นก็เป็นคำใส่ร้ายป้ายสีต่อไปในข้อสิบสามครับข้อสิบสามได้พูดถึงว่าหิมะได้ให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ ก็ย่อมทําให้จิตวิญญาณของนายชุ่มชื่นอย่างนั้นหิมะที่อยู่บนภูเขาครับเป็นสิ่งที่นําความชุ่มชื่นมาในช่วงเวลาที่อากาศร้อนเราต้องการความเย็นคํานองเดียวกันครับคนสื่อสารที่ซื่อสัตย์ก็จะทําให้เกิดความเย็นเกิดความชุ่มชื่นกับผู้ที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองนั้นเป็นผู้ที่สื่อสารสื่อสารเราจะต้องให้สาร ที่ทำให้ผู้ที่ฟังและผู้ที่เป็นต้นของสารนั้นจะมีความเย็นมีความชื่นฉ่ำมีความสงบพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าผู้สื่อสารนั้นจะต้องให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเรียบร้อยระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารครับและนี่คือสิ่งที่พระกัมพีได้เตือนครับว่าถ้าเราจะพูดถึงใคร อย่างไรนะครับเราควรจะต้องให้เกิดความเย็นเกิดความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ส่งสารและผู้ที่รับสารด้วยครับพี่นนท์ครับตรงนี้ถ้ า, าว่าเรารู้จักภูมิอากาศของอิสราเอลนะครับเราจะรู้ว่าฤดูเกี่ยวนั้นเป็นฤดูร้อนครับแต่ทำไมเกี่ยวข้องกับหิมะครับเพราะหิมะยมเปนภูเขาครับนะครับไม่ใช่หิมะตกในฤดูเกี่ยวไม่ใช่ครับ เพราะหิมะตกในฤดูเกี่ยวเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความหายาณะครับเพราะว่ามันจะทำให้พืชผลแล ะ, ะสิ่งต่างๆที่อยู่ในท้องนาไร่นานั้นเสียหายแต่หิมะที่นี่หมายถึงหิมะที่อยู่บนภูเขาในหน้าร้อนครับนำมาซึ่งความชื่นชำ่ำชุ่มฉ่าเย็นสบายเปรียบเหมือนกับคำพูดของผู้สื่อสารที่จะทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นได้มีความเย็นสบาย เช่นเดียวกันครับในทางกลับกันรครับข้อที่14เป็นคำพูดที่ไม่ดีก็คือคนที่คุยโมโ อ, โอ้อวดข้อ14กล่าวว่าคนที่อวดว่าจะให้ของกำนันแต่ไม่ได้ให้ก็เหมือนกับเมฆและลมที่ไม่มีฝนคำว่าเมฆและลมนั้นก็คือความหวังของชาวนาครับว่าฝนกำลังจะตกแต่ถ้าเปิดเป็นเมฆและลมที่ไม่มีฝนนั้นก็คือจะทาให้ชาวนาผิดหวัง ฉันใดฉะนั้นครับผู้ที่สัญญาว่าจะให้แต่ไม่รักษาสัญญาก็ทำให้เกิดความสับสนเสียใจและผิดหวังฉะนั้นเราไม่ควรที่จะให้คําสัญญาอ ะ, อะไรก็ตามนะครับถ้าเรารู้ว่าทำไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้หลายครั้งทีเดียวครับในขณะที่เราสัญญาแล้วเราไม่ได้ทาตามสัญญานะครับก็จะทำให้เกิดความเสียหาย เป็นลมและเมฆที่ไม่มีฝนเป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้และเป็นสิ่งที่น่าต้องกลับใจถ้าเราเป็นเจ้านายแบบนี้หรือเป็นผู้ที่ให้คำสัญญาเช่นนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้สื่อสารที่ดีในขณะเดียวกันครับเราต้องเป็นเจ้านายที่ดีเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีและเป็นลูกน้องที่ดีในการที่จะทาให้เจ้านายของเรา กับคนอื่นๆนะครับเขาจะมีความเย็นครับอย่าทําให้เกิดความร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าความร้อนนั้นไม่ดีและทําให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราเองนั้นควรจะต้องสร้างสันติครับเราไม่ควรทีร่จะสร้างความแค้นเคืองสร้างความเข้าใจผิดเราจะต้องเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้าที่ดีครับเป็น Apostle ก็คือเป็นผู้สื่อสารเป็นอัครทูตประกาศข่าวดีประกาศข่าวประเสริฐครับ อาเมน